122ผู้เอาแต่ปัจจุบันก็อีกแหละยิ่งร้ายหนักใหญ่ผู้ที่ไม่รู้จักอดีตและอนาคตตีทิ้งอดีตอนาคตไปเลยก็อีกแหละผู้ที่หลงแต่ปัจจุบันแบบนี้ยิ่งร้ายหนักใหญ่เพราะกลายเป็นผู้ขาดศูนอุดเฉ ท, ทะทั้งโลกทั้งอาจาร แต่เป็นผู้จมอยู่กับอวิชชาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกหรืออัตตาเลยตนเองงมงายเรื่องโลกเรื่องอัตตาในปัจจุบันนั้นเองด้วยดำ m ริศนาทําลายโลกทาลายสังคมอยู่ผู้ที่ต้องกลายเป็นอุเฉ ท, ทิฐิก็เพราะไปศึกษาเผินจึงหลงผิดว่า พระพุทเจ้าไม่สำคัญในเรื่องโลกเรื่องอัตตาระวังเถอะแม้่จะฉลาดเฉลียวเชี่ยวชาญปฏิพานมากหลายแต่หลงโล ก, กีอันเป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญหนักจนาจนกลายเป็นคนลวงโลกเรื่องโลกเรื่องอัตราพอรู้บ้างไม่รู้บ้างตามประสาแต่กิเลสนานัก ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเลยแมแต่คำว่ากายบ้างก็หลงเมาายไปกับโลกกับอัตตาโดยใช้โลกใช้อัตตาของตนนั่นแหละมอมเมาโลกมอมเมาอัตตาทั้งตนทั้งผู้อื่นผู้ที่ยิ่งเป็นคนฉเฉลียวฉลาดแต่เรื่องโลกเรื่องอัตตาพอรู้บ้างไม่รู้บ้าง ตามประสาทที่มีความฉลาดมากแต่กิเลสหนาะหนักไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเลยแม้แต่คำว่ากายจึงไม่เข้าใจว่ารูปกายคืออย่างไรนามกายคืออย่างไรก็จะใช้ความฉลาดของตนนี่เองที่รู้ความเป็นรูปเป็นนามอย่างงูปลาปลานี้ ไปหลอกคนที่ไม่ประสีภาษาเรื่องรูปเรื่องนามเลยกันอย่างหนักหนาะสาหัสที่มีหลอกโลกลวงสังคมกันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่หลากหลายมากมายทั้งขนาดยิ่งใหญ่ม้โหลานพันลึกทั้งใหญ่มากใหญ่กลางและขนาดเล็กเต็มสังคม